พระอนาคามีเนี่ยนะถ้ายังไม่เพียรปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ยังตำหนิอีกว่ายังยินดีในในภพเท่าขับพระ อ, องค์แตะพระ อ, องค์ใช้คาหนักนะภพแม้มีประมาณน้อยก็ชื่อว่าเป็นของไม่ดีเหมือนอะไรเหมือนอุจจาระแม้จะมีประมาณน้อยก็ชื่อว่าเป็นของไม่ดีเนี่ยนะส่วนธรรมสองที่ควรละคืออะไร ทำสองที่ควรละคืออวิชากับภาวะตัณหาอาวิชาคืออะไรคือความไม่รู้ในฐานะสี่ประการไม่รู้ในทุกนะความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุ ท, ทยัยความไม่รู้ในทุกขานิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธาขามินีปฏิปทาอันนี้ผู้ตามพระสูตรทั่วๆไปเนี่ยนะโดยมากว่าอาวิชาเป็นชนไหนเช่นในในอะไรนะ ในปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมอวิชชาปัจจาสังขาราสังขาราปัจจาวิญญาณังเนีน่ยนะแล้วก็ธรรมะกเทตุกรรมยตาปุจชา ว, า, าว่าอวิชชาเป็นฉไมนความไม่รู้ในทุกขความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขานิโรธความไม่รู้ในทุกขานิโรธถ้าขามิมีปฏิปทาเสความไม่รู้สี่ประการนี่แหละเรียกว่าอาวิชชาแต่ถ้าตามอภิธรรม ตามอภิธรรมนี้อวิชชาคือความไม่รู้ธรรมะแปดประการไม่รู้แปประการมีอะไรบ้างานะอวิชชาคือหนึ่งความไม่รู้ในทุกสองไม่รู้ในทุกขสมุทัยสาไม่รู้ในทุกคานิโรธสี่ไม่รู้ในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาหไม่รู้ในขันธาตุอายตนะที่เป็นเบื้องต้นคืออดีตที่ผ่านมาหไม่รู้ขันธาตุอายตนะอนาคตต่อไป เจ็ไม่รู้ทั้งส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องตายคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ขันธาตยัตนะที่เป็นอดีตเป็นอนาคตอะไรเลยแปดก็ไม่รู้ปฏิจจสมุปปณธรรมคือธรรมที่เป็นอิทัพปัจจยตาคือสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอันนั้นคือไม่รู้ปฏิจจสมุบาทนั่นเองเนี่ยนะความไม่รู้เหล่านี้เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาเนี่ยนะ แปลว่าไม่มีวิ ช, ชาใช่ไหมต้องแปลว่าศัตรูของวิ ช, ชาเนี่ยนะเราจะว่าไม่ใช่แค่ไม่รู้นะแต่มันเป็นศัตรูแห่งความรู้เป็นปฏิปักษ์แห่งความรู้อาตัวนั้นเนี่ยหมายถึงศัตรูเลยแหละอย่างเช่นอากุศลเนี่ยคือสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ ต, ต่อกุศลเช่นเมตตาเนี่ยนะอ่าขออภยัยโทสะนี่เป็นศัตรูกับเมตตาความโลภเป็นศัตรูต่อความไม่โลภ ความลุ่มหลงเนี่ยเป็นศัตรูของปัญญาฉะนั้นอวิชชาเนี่ยนะเป็นศัตรูที่สําคัญของวิชาเป็นปฏิปักษ์ต่อวิชาจึงเรียกว่าอาวิชชานะไม่รู้ในทุกขาริยสัตว์เนี่ยนะก็ถ้ารู้มเป็นยังไงคิดนะถ้าถ้ารู้แล้วจะเอามาเปรียบจึงจะเข้าใจชัดของคำว่าไม่รู้ไม่รู้นี่เป็นยังไงไม่นะก็คิดง่ายง่ายว่าเนี่ย อย่างเราเห็นใครเนี่ยนะคิดถึงแม้แต่คําว่าอริยสัจเนี่ยคิดถึงบ่อยไหมตรงเนี้ยเส็นว่ามันปิดสนิทเลยนะคิดถึงเพื่อนคิดถึงใครก็ได้คิดถึงอะไรก็ได้เนี่ยแล้วคิดถึงคําว่าทุกขสัจตามด้วยไหมคิดถึงคําว่าสมุทัยสัจแม้กระทั่งแค่คิดถึงอริยสัจยังไม่คิดเลยนั่นแหละปอดสนิทมากๆเลยนะสนิทจริงๆแต่ถ้าหากว่าในสิ่งใดที่เราเอามาพิจารณาโดยอริยสัจคิดคิดอีกในหนึ่งเนี่ยนะ ทุกเรื่องที่เราคิดถึงเนี่ยคิดถึงธรรมจักรคู่ด้วยไปด้วยเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเราไม่คิดถึงคําสอนตามแนวธรรมจักรนั่นแหละเป็นอวิชชาหมดเลยเนีนะนั้นเวลานึกถึงรูปเวทานาสัญญาสังขารและวิญญาณจะต้องชาติติทุคขาจรา ต, ติทุคข า, าตันหาโปโนพรวิการเป็นต้นเนี่ยต้องคิดถึงอ ร, ริยสัจเอาไว้เสมอเลยถ้าไม่คิดถึงอริยสัจเอาไว้นั่นแหละเป็นอวิชชาะนั้นอวิชชาเนี่ยเป็นธรรมะที่จะต้องละเนียนะ และอีกตัวหนึ่งก็คือภวะตันหาภวะตันหาได้แก่ความปรารถนาในพบมีการมาพบเป็นต้นความปรารถนาพบใช่ไหมต้องการเกิดใหม่นะความพอใจในพบความกำนัดในพบความเพลิดเพลินในพบความอยากในพบความเสน่หาในพบความเร่าร้อนในพบความสยบในพบความผวงหลงไหลในพบเนี่ยนะอันนี้แหละลักษณะของภวะตันหาปรารถนาที่จะเกิดอีก ปรารถนาที่ขอให้มีได้มีภพใหม่นนนะตัวภาวะตันหาเนี่ยตัวเนี่ยที่บัณฑรทําให้ไม่คิดจะภาเพียรเพื่อให้ตรัสรู้อริยสัจใช่ไหมพวกนี้ก็เป็นกลุ่มหวังน้ําบ่อหน้าไปเรื่อยๆนั่นนะหวังไปเรื่อยหวังหวังไปหวังหวังหวังชาตินั้นชาตินั้นชาตินั้นไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้นะหวังว่าสาธุชาติหน้าขอให้ได้ คิดง่ายๆนักไทบอกว่าขอปราถนารั่วริยะสัตว์ชาติหน้าเนี่ยเขามาว่ามันเข้าใจผิดมากๆเลยถ้าชาติหน้าที่เป็นมนุษย์ด้วยยิ่งมหาเข้าใจผิดเลยนะเพราะคิดหรือขนาดชาตินี้นะยังขนาดนี้นะปลายน้ําขนาดนี้แล้วชาติหน้าจะแปลปลายขนาดไหนมันจะแผ่วขนาดไหนเนาะเนี่ยนะเพรานแอบภวะตันหาเนี่ยคือความปราถนาในกามาพบเนี่ยนะถามว่าเอ้คนเนี่ยปราถนาอยากจะเกิดเป็นเปรตนี่มีไหมยอมว่ามีหรือไม่มี มีพวกที่ปรารถนาจะเกิดเป็นเวมานิกาเปรตนะนะคือบางช่วงไปเห็นสมบัติของพวกเวมานิกาเปรตก็เลยอยากเป็นอย่างนั้นบ้างนันะนะมนะนะนะีถามว่าพวกปรารถนาอยากเป็นเดระฉานนี่มีไหมนีทําไมจะไม่มีเยอะแยะไปบางคนก็อยากเกิดเป็นหมาอย่างนะ้บางคนเด็กกันเคยเห็นไหมสมัยเด็กๆบางคนเวกขออยากเกิดเป็นนกถ้าเป็นนกนะฉันจะได้บินไปเรื่อยอถ้าเป็นผีเสื้อนะฉันไม่ต้องมีใครมาคอยดูแลก็บินไปเรื่อยนะ บางคนเนี่ยขอถ้าได้เป็นปลาจะแหวกว่ายท่องเที่ยวไปในน้ําบางคนเนี่ยอยากเกิดเป็นพญานาคบางคนก็อยากเกิดเป็นครุฑบางคนก็อยากเป็นเสือบางคนก็อยากเป็นเหยี่ยวเป็นต้นเนี่ยทั้นแม้แต่เดรัจฉานเนี่ยนะคนก็ปรารถนานะเห็นม้าก็ริษยาม้าก็มีอิจฉาหมาก็มีเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่าฝักใฝ่ที่จะเป็นเช่นนั้นนั่นแหละทั้นอบายเนี่ยสัตว์เนี่ยอยากเป็นนะไม่ใช่ไม่อยากเป็นนะเนี่ย ไหนอยากเป็นผี e, ไว้ได้สิงคนนั้นสิงคนนี้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็ปรารถนาะที่จะเป็นอสุรกายเนี่ยนะงนั้นความปรารถนาะที่จะเกิดในอบายเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่ใช่น้อยเลยอย่างเช่นชื่นชมในสัตว์ในอบายนี่ก็มีส่วนนะ่ะก็ชื่อว่าพอใจที่จะเกิดในการเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะถ้าพอใจที่จะเกิดเช่นนั้นแล้วก็เห็นไหมใครเนาะจะเลี้ยงข้าวคนนี้ อไม่ต้องพูดถึงว่าพอใจที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกใช่ไหมวู้ชาติหน้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ดีแล้วมีบางคนนี่ยเขาบอกอย่างนี้บอกว่าโอ้ยชัดหน้าขอให้มันเกิดอีกเถอะมันจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะมันจะเกิดเป็นแมลงวันก็ช่างเถอะประมัณนั้นบางคนนี่ขนาดนั้นเลยนะขอให้มันได้เกิดอีกเป็นใช้ได้กลัวมากเลยกลัวจะไม่ได้เกิดเนี่ยนะถ้าไปกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวยังไงมันได้เกิดอยู่แล้วแหละมันเกิดเป็นอะไรเพราะตายกับเกิดเนี่ย ตาย ก, นนากเัเกิดในหน้ากลัวกนะัเนเกิดในน่ากลัวนยเช่นตายจากมนุษย์เกิดในนรกอันนี้มันน่ากลัวตายจากมนุษย์เกิดในเดรชานก็น่ากลัวตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรตก็น่ากลัวหรือตายเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ถือว่าน่ากลัวเพราะไปเกิดผิดประเทศเนี่ยนะประเทศที่อดอยากอะไรจะเกิดขึ้นประเทศที่ประชากรเนี่ยนะอย่างประชากรบางประเทศนะแถวแถวตะวันอทวีปแอปฟริกาเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะ มันตาบอดกันเกือบค่อนประเทศอย่างเงี้ยตาบอดจูงตาบอดเดินกันเป็นเกือบจะเป็นกิโลกิโลก็มีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพวกมแมลงวันมันเยอะมากมันไต่ตอมแล้วมันติดเชือ้อติดเชือ้อติดเชือเช้อเนี่ยนะ ม, มีมีหลายประเทศมากๆเลยอดอยากแกรนแคนมากแล้วก็รู้โทษของการเกิดน้อยไปหรือไปเกิดประเทศที่เขากําลังมีสงครามอยู่ขนาดนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นเป็นเด็กที่เกิดมาขาดอาหารตลอดเลยนะไมนมีอาหารพอจะรับประทานเลยแหละ ทันถ้ายินดีในการเกิดนะเราจะมาเกิดเป็นอะไรกันนาะั่นทำสองที่ควรละเลยคืออวิชากับภวะตัญหาความไม่รู้อริยสัจนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องละจริงๆเลยนะควรละเลยแล้วก็ความปรารถนาที่จะเกิดในภพใหม่อันนี้ก็ต้องละอวิชาละด้วยวิปัสนาภวะตัญหาละด้วยสมถะท่้นสมถะวิปัสนาเป็นปฏิบัติต่อการละอวิชากับภวะตันหา ถ้าไม่มีวิปัสนาละอวิชาไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสมถะก็ยากที่จะละภวะตันหาได้เนี่ยนะส่วนทำสามที่ควรละทำสามติดโสตันหาทำสามที่ควรละก็คือกามตันหาภวะตันหาเวภวะตันหาในตันหาสามอย่างเนี่ยนะอธิบายว่าภวะตันหาเป็นไนาราคาสหรคตด้วยสัสนตทิฏฐิ ภวะทิฏฐิก็คือสัสตตทิฏฐินั่นแหละเชื่อว่าภาวะตันหาตันหาที่เกิดร่วมกับทิฏฐิที่ถือว่าเที่ยงะทิฏฐิที่ถือว่าเที่ยงบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงก็ตามนะกลุ่มนี้ก็ยังเป็นภาวะตันหาส่วนพวกวิภาวะตันหาก็คือราคะที่สหรคตเกิดร่วมกับอุเฉททิฏฐิเช่นถือว่าตายแล้วศูนย์ พวนี้ถือว่าชีวิตนี่จบแค่ตายพวกนี้แหละลักษณะของตัณหาที่เกิดร่วมกับอุเฉ ท, ทิฏฐิเป็นวิภวะตัณหาส่วนตัณหาที่เหลือคือนอกจากกานอกจากภาวะตัณหานอกจากวิภวะตัณหาเป็นกาธรมตัณหาก็คือตัณหาที่เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏพหะทั่วๆไปที่ไม่ไม่ได้เกิดร่วมกับสตทิฏฐิไม่ได้เกิดร่วมกับ อุเฉดทิฏฐินั่นแหละเป็นกามตัณหาถึงตัณหาที่เกิดร่วมกับมานะนะก็ยังเป็นกามตัณหาแต่ถ้าเกิดร่วมกับทิฐิไม่เป็นภาวะตัณหาก็เป็นวิภวะตัณหามีอยู่สองอย่างอีกในหนึ่งบอกว่าวกามตัณหาเป็นไนราคะประกอบด้วยกามธาตุหมายถางว่าความชอบใจในกามธาตุความชอบใจในกา ม, าา ม, บใใกามพบอันนี้เป็น กามตันหาส่วนภวะตันหาก็คือตันหาที่ชอบในรูปประธาต์อารูปธาต์หมายความว่าชอบในรูปประพบอารูปปพบรูปประชันอารูปประชันความติดใจในรูปประชันอรูปประชันนั้นเป็นภวะตันหาส่วนวิภวะตันหาก็คือตันหาที่เกิดร่วมกับอุเฉททิฏฐิอุเฉททิฏฐิไม่ใช่ว่าอะไรนะกามตันหาก็ชอบในเรื่องการภวะตันหาก็อยากมีอยากเป็นวิภวะตันหาก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็น ไปแปลอย่างนี้เสียหายนะเช่นบางคนเขาบอกว่าตอนแรกก็อยากมีก่อนอยากมีอยากเป็นก็เป็นภาวะตันหาตอนหลังก็ไม่อยากมีแล้วก็เลยเป็นวิภาวะตันหาบางคนมั่วถึงขนาดว่าภาวะตันหาเช่นอยากมีคู่ครองวิภาวะก็อยาบหยาเพราะ ง, งั้นอันนั้นก็มั่วไปอีกนะยิ่งมั่วจัดๆเขาเ้าไปอันสรุปว่าภาวะตันหาคือตันหาที่ภวะตันหามีอยู่สองในน่ะเห็นชัดๆเลยภาวะตันหาในที่หนึ่งก็คือ เกิดร่วมกับสัตตทิฐิในที่สองก็คือยินดีในรูปฌานอรูปฌานยินดีในรู ป, ปรพบอรู ป, ปรพบเนี่ย น, นะวิภวะตัณหานี่เกิดร่วมกับอุเฉททิฐิอย่างเดียวคือพวกนี้ถือว่าตายแล้วชีวิตเหลือแต่ขี้เท่างนั้นเถะนะเหลือแต่ขี้เท่าอนะจบที่ขี้เท่าอ่ะพวกนี้เป็นอุเฉททิฐิส่วนในอัตกถกถาทัศสุตระสูตรท่านบอกว่าราคะที่เป็นไปในการมาคุณห้าชื่อว่ากามตัณหา เพลิดเพลนในรูปเสียงกลิ่นรถโพธ h a p เนี่ยนะเช่นดมดอกไม้หอมจังเลยอย่างเงี้ยลักษณะนี้เป็นกามตัญหาถ้ายินดีในรูปประพบารูปประพบราคาสหรคตด้วยความใคร่ในฌานหรือเกิดร่วมกับสัจจะทิฏฐิหรือว่าปรารถนาพบอันนี้ก็ชื่อว่าภาวะตัญหาเพราะภวะตัญหานี้ก็กว้างหน่อยใช่ไหมยินดีในรูปฌานารูปฌานยินดีในรูปประพบ า, ารูปปะ ร, ปป ะ, พรปปะพบและเกิดร่วมกับ สัสตทิฏฐิอันนี้แหละเป็นภวะตันหาส่วนตันหาที่เกิดร่วมกับอุเฉททิฏฐิชื่อว่าวิภวะตันหาอันนี้พูดตามท่าสุตระสูตรทีขณิกายสูตร ส, สุดท้ายของทีขณิกายที่พระสารีบุตรแสดงเอาไว้แม้ตันหาท่านกล่าวไว้โดยปริยายแห่งสังคีติสูตรและก็โดยปริยายแห่งค ำ, คำเภียรพิธรรมว่าตันหาสามอย่างอื่นอีกคือกามตันหา รูปปัตหาอรูปตัตหาอย่างอื่นอีกคือรูปปัตนหาอรูปปัตนหานิโรธตันหาแล้วก็ก็ถูกเหมือนกันนะนะตามตามคําอธิบายนี้ตันหาเหล่านั้นตันหาประกอบด้วยการมาธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุตันหาสุดท้ายคืออะไรนิโรธตันหานี่หมายถึงตันหาที่เกิดร่วมกับอุเฉททิฏนะไม่ใช่ตันหาที่เกิดร่วมกับนิพพานนะไม่ใช่แต่ นิโรธตัณหาตัวนั้นเนี่ยก็คือตัณหาที่ถือว่าตายแล้วจบเลยบางพวกเนี่ยพวกนิโรธตัณหาพวกนี้หมายว่าเช่นะไปเกิดในสวรรค์แล้วไปปรินิพพานที่สวรรค์หรือถ้าไปเกิดในอรูปปฐรรมแล้วไปปรินิพพานที่อรูปปฐรรมหมายว่าไปปรินิพพานที่พบนั้ น, น, นไม่ได้ปรินิพพานด้วยอริยมรรคนะลักษณะนี้ก็เป็นนิโรธาตัณหาเนี่ยนะตัณหาที่สําคัญว่าดับศูนย์ไปเลย ไม่ได้ดับด้วยข้อปฏิบัติอะไรหรอกมันก็ถึงเวลามันก็ดับมันเองอย่างเนี้ยบางท่านก็ถือว่าในที่สุดสัตว์ทั้งหมดจะต้องปรินิพานทั้งหมดเนี่ยนะยังมีพระรูปหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิท่านพูดว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยทานบัณฑิต ด, ดีชั่วอยากดีมีจนในที่สุดจะต้องปรินิพานทั้งหมดนะพวกนี้ถือว่าเข้าใจผิดอย่างมหาสารเนี่ยนะเข้าใจผิดมหันเพราะในความที่ท่านเข้าใจผิดเนี่ย ท่านจึงไม่มีความเพียรพยายามอะไรเลยชีวิตอยู่ด้วยความทุศีน์อยู่ด้วยความทุศีนเพราะถือว่าในที่สุดทุกคนต้องปรินิพานถ้าจริงๆทุกคนต้องปรินิพานอย่างนั้นแล้วจะต้องมาบําเพ็ญบารมีทำไมใช่ไหมจะต้องมาเจริญบุญเจริญกุศลทําไมก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ปรินิพานเองบางคนก็บอกว่าไปเรื่อยๆแล้วจะปรินิพานเหมือนอะไรเหมือนกับประเคยใครเห็นเขาถักไหมพรมไหม เอา ม, มวลมวลได้มวลม ว, นมวนเนี่ยมาถักถไปเดี๋ยวถักไปเดี๋ยวมันสุดมันเองใช่ไหมบางทีเขาบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเดเี๋ยวมันก็จบมันเองนะ น, นะหรือบางพวกก็ถือว่าชาติหน้าเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ก็ไม่ทําอะไรเดี๋ยวก็ตายแล้วก็จบแล้วอย่างนั้น <peer S 1> บางคนนะเขาบอกว่าเขาจะไม่ต้องเกิดอีกเพียงแค่ว่าเขาไม่อยากเกิดเขาจะไม่ต้องเกิดอีกแล้วนิยมคนหนึ่งเขาถือว่าเขาเนี่ยชาติหน้าเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วนะแต่วันๆหนึ่งก็ดูแต่ทีวี แต่ว่าชาติหน้าเขาไม่อยากเกิดเด็กว่ามักเขาเจริญง่ายจังเลยในการไม่เกิดของเขาเนี่ยคือเขาเข้าใจผิดว่าเขาไม่อยากเกิดแล้วว่างั้นะแต่เขาไม่เจริญอะไรสักอย่างนะก็ปล่อยชีวิตเช้าชามเย็นกะละมังอะไรไปเรื่อยเ น, <c oughs> นี่ยเย็นกะละมังคือสักผางไงการหาสามเหล่านี้ก็เป็นธรรมที่ควรละนะเพราะว่าตันหาพวกนี้เป็นอะไรสัรจจะตันหาเป็นสมุทยาสัจจะเนี่ยนะไอ้กล่มต้นเหตุแห่งการเกิดในภบใหม่นี่ต้องต้องละโดยส่วนเดียว